เอาง่าอย่าซีเรียกเรื่องนั่งตรงๆหน่อยครูสมศักดิ์เป็นครูเกษียณอายุมานานแล้วซ้ำโชคร้าย ร่างกายเป็นอัมพาตส่วนล่างไปไหนก็ต้องใช้รถเข็นตลอดเวลาแต่เนื่องด้วยมีเงินบำนาญลูกหลานจึงจ้างพยาบาลมาคอยดูแลวันหนึ่งครูสมศักดิ์อยากออกไปสูดอากาศข้างนอกนอ ก, ก็บอกแก่พยาบาลว่าคุณพยาบาลพาผมออกไปดูธรรมชาติข้างนอกหน่อยพยาบาลก็พาไป สักพักครูสมศักดิ์ก็นั่งเอียงซ้ายพยาบาลก็จับให้นั่งตัวตรงเพราะกลัวจะลนจากรถเข็นพอเอียงขวาก็ถูกจับนั่งตัวตรงอีกครูสมศักดิ์จึงพูดขึ้นว่าคุณพยาบาลผมจะผายลมมั่งไม่ได้หรือไงเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่า เรื่องบางสิ่งที่เราคิดและเห็นอาจไม่ใช่ความเป็นจริงดังนั้นก่อนที่จะปลงใจเชื่ออะไรจงใช้สติปัญญาไตรตรองให้รอบคอบ